ความสุขความเจริญจึงมีดตท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเทราคาถาเรื่องพระัญญากนลธัญญาเรื่องของพระัญญกนลธัญญาตลอดถึงพระเทรารูปอื่นอื่นนั้นคือจะมีการรวบรวม ถึงชีวิตและผลงานของท่านต่างคำต่างวรากันแต่ว่ากันตามความจริงก็ยังมีอยู่ในพวกอปาทานพวกเอตัทคะปาลิเป็นต้นอีกเป็นนั้นมากแต่ว่าในที่นี้ก็นำเสนเอเฉพาะช่วงเทราคาถาก็ได้พูดถึงเรื่อง าิหรือว่าพุทธภาสิทธิหรือพุทธศาสนาสุภาสิทที่เรียกว่าพุทธภาสิทธ์นั้นก็เพราะว่าข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้เคยแสดงเคยรับสั่งไว้ด้วยพระองค์เองแล้วก็บางข้อนั้นก็ยังไม่เคยพบที่เป็น พระพุทธวจนะก็เป็นเทระพาสิทธิ์แต่เป็นพระพุทธศาสนาสุภาสิทธิ์คือเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อมาพระเถระได้เห็นภิกษุสัตวริของท่านรูปหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรต่ำมีใจฟุ้งซ่าน มักจ่ายสูงเพราะครุกรีกับมิตรที่เลวสามอยู่จึงได้ไปในที่นั้นด้วยฤทธิ์แล้วก็ตักเตือนเธอว่าคุณอย่าทำอย่างนี้เลยจงละมิตรเลวสามเสียก็ผ่าแต่กาลยาณมิตรบำเพ็ญสมณธรรมเถอะแต่ภิกษุนั้นไม่เชื่อฝังคำของท่าน ปฏิราชจะเกิดสลดใจขึ้นด้วยความไม่เอื้อเฟื้อของเธอเมื่อจะทำนีข้อปฏิบัติที่ผิดสันเสริญการปฏิบัติชอบและการอยู่อย่างสงัดโดยทั่วค่ามมันเป็นปุกรลาธิฐานจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ก็หลายประเด็นด้วยกันครับคือประเด็นแรกที่น่าจะ สนใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามก็คือคนนะนะแล้วก็พื้นเพจริตอัธยาศัยเองก็ต่างกันจิตนารมณ์ในการบวชของคนเหล่านั้นก็ไม่เหมือนกันอย่างที่คนไทยเราเอามาพูดว่า บดนี้บดลองบทครองประเพณีบท ด, ดีสงสารบทผานเขาสุขบทสนุกดามเพื่อนจนถึงกับบทเพื่อนาศาสนาพ้นผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยมันก็มีฝึกง่ายก็มีฝึกยากก็มีก็แบ่งเป็นสี่ประเภทอย่างที่ทรงพิจารณาเห็นมาตั้งแต่ต้นว่า บุคคลบางคนนั้นก็ให้ศึกษาสำเนียกไม่เท่าไหร่ก็รู้ได้ก็เรียกว่าอุกติตันยูสามารถจะรู้ทำพอยกหัว ข, ข, ข้อขึ้นมาแสดงไม่มากท่านก็รู้ได้อย่างแนวของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยเราเนว่าคาถาก็สองบรรทัดเท่า น, นั้นเอง ท่านก็บรรลุมกผลเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันไดคนบางพวกก็เรียกว่วิปจติตันอยู่ก็จะต้องมีการอธิบายขยายความเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านั้นก็วิจิตพิสดารพอสมควรใช้เวลาพอสมควรถ้าหากว่า กานใส่ใจสนใจไม่ทอดทิ้งความเพียรโอกาสที่จะสัมผัสผลในทางศาสนาก็มีได้ประการต่อไปก็เรียกว่าเนยยะกปุนีีก็พอจะแนะนำพอจะพูดกล่าวพอจะชี้แจงพอจะอธิบายกันได้แต่ต้องอาศัยอุบายวิธีหลายๆอย่างแล้วก็ต้องใช้การเวลานาน ส่วนข่ายหนึ่งเรียกว่าปลาท่าประมะก็แบบดอกบัวที่เป็นพักษาของปลาอะไรต่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็เท่าที่ทํากันได้เท่าที่สอนกันได้ผลลัพลการปฏิบัติระหว่างชาวบ้านกับพระในทิศหกเดี๋ยวเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าชาวบ้านเองจะต้องชัดเจนในสถานภาพของพระ ถ้าไปมองแบบจินตนาการฝันหวานสวยหรูเลอเลิดเปิ้อพริ้งในลักษณะเปิ ด, ป, ดปุ๊บติดปับ๊บบวชวันนี้ลูกในเช้าก็สมบูรณ์พร้อมด้วยประการทั้งปวงเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมันก็มีได้ในกรณทีที่ท่านเป็นพระราษบุคคลแต่ก็เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอก ได้สัก 2% เก็บุญแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในรับที่ต้องมีการฝึกปรืออบรมบ่มฤิสายกันไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าอาการทั้งหมดที่ปรากฏในตัวของสถิริกของพระเถระ ก็เป็นอาการของกิเลสนะฮะกิเลสมันแข็งกร้าวมันกระด้างทาให้จิตใจท่านแข็งกร้าวท่างกระด้างก็แสดงว่าเดยพื้นฐานทางจิตมีความโรภมเอียงทางจิตเนี่ยก็เรียวกว่าไฟต่าเป็นควอหาสมาคมกับคนเลวก็เรียวกว่าปาปะมิตรคือควอหาสมาคมกับคนเลว ขาดความรักความหวังดีไม่มีจิตคิดจะอนุเคราะห์แล้วก็ไม่มีการแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทำอะไรที่เป็นการมุ่งอุปการะต่อกันก็หมายความว่า แบบควบผ่านผ่านพาไปหาผิดครบบัณดิตบันดิตพาไปหาผลนั่นเองกรรยานามิตรนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากคนเราเกิดมาชาติหนึ่งให้มีการยานามิตสักคนเนี่ยถือว่าบุญมากแล้วปัญหาว่าหาได้หรือเปล่าเต่นั้นเองเมื่อท่านเป็นคนพื้นฐานข้อท่านเป็นอย่างนั้นมีความโน้มเอียงอย่างนั้น แล้วก็ไปครบมิตรอย่างนั้นเข้าไปอีกมันก็เรียกว่าสภาพแวดล้อมกับตัวเองเป็นปัจจัยกื้อกูลกันคือไม่ดีกับไม่ดีเนะะี่ยมาผสมกันมันก็ดีได้ยากมิตสายของท่านต่างๆประการแรกก็คือว่าเป็นคนเกียรติค้าน คนเกียรตค้านนี่สามารถอ้างได้เรื่อยนีอ้หนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างไม่มีเวลาอ้างว่าไม่สบายปวดหัวปวดท้องอ้างได้ทั้งนั้นแล้วก็จบยงอยู่ที่ไม่ต้องทําความเพียรพยายามใปัจจุบันเราอ้างอะไรได้เยอะ บางครังบางคราวเราจะไปในที่ใดที่หนึ่งก็คำนวณเวลาเผื่อเอาไว้อย่างน้อยสักสิบ5สบห้านาทีหนึ่งตาหนทางไม่ไกลก็คำนวณเวลาเผื่อเอาไว้เผื่อรถติดแต่ถ้าเดินทางไกลามากกว่านั้นไปเป็นร้อยร้อยกิโลเนี่ยเราก็ต้องเผื่ อ, อไว้เป็นเครื่องชั่วโมงเป็นชั่วโมงเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดอบุบัติเหตุในกลางถนนทำยังไงถ้าเกิดรถติดกันมากทำยังไงหรือจะเกิดถูกตรวจค้นขึ้นมานี่ยทำยังไงแต่บางทีก็ไม่ได้คิดในประเด็นเนี้ยพอไปสายก็อ้างรถติดแทนที่จะบอกตามความจริงว่า เวลาที่ออกมานัน้นมันจูดเจียนเกินไปก็สซุมเสียงก่อนในสมัยที่ยังเดินทางอบรมไปทั่วประเทศเนี่ยเราจะคำนวณเวลาไว้หมดแล้วก็ไม่เคยไปสายนะคือไปสายครั้งหนึ่งที่จังหวัดกาลสินที่สายตรงนั้นที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกมันลงทาง เลี้ยวผิดไปตั้งเจ็ดแปดสิบกิโลนะฮะคนทั้งคันรถเนี่ยไม่มีใครรู้จักทางเลยแต่คนก็ดีจังเขาไปนั่งรออยู่ได้พวกครูบาอาจารย์รอจนได้พูดปกติเรียบร้อยตามโครงการเลยแต่เราก็เสียใจมากที่ทำให้เขาต้องรอคอยความเขียดคราสอย่างเดียวก็ยุ่งแล้ว เขาจะเข้าหน้าในด้านอะไรล่ะด้านการศึกษาก็ยากการทํามากินก็ยากการทํางานก็ยากการบวชยิ่งยากใหญ่เพระเรื่องบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะผู้ตื่นต้องตื่นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความหยาว น, านั้นประการต่อไปก็คืออะไรล่ะ คือความเพียรนี่มันยอดความเพียรเราอย่าลืมว่าเพียรในการป้องกันเพียรในการบําบัดนั่นคือส่วนที่ไม่ดีแต่นี้ท่านเกียดค้านเป็นพื้นฐานท่านก็ไม่พยายามบําบัดความเกียรติค้านแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ป้องกันเรื่องสาเหตุที่เกิดเกียรติค้าน เห็นว่ารับประทานอาหารมากไปหรือว่านอนดึกไปนั่งคุยกันนานไปอะไ ร, ต, รต่างๆมันก็เป็นเหตุให้ง่วงนอนทั้งนั้นความเพียรต่ำก็คือการงานที่เราจะต้องทำในขณะนั้นๆเราปล่อยประละเลยไม่ทำมีงานจอนขึ้นมาก็ปล่อยเป็นดินพ่อขางหมูเลยทีนี้ แล้วก็เกียดคร้านกลับไปที่เดิมนะฮะก็เพราะความเกียดคร้านนั่นแหละทีนี้มีใจฟุ้งซ่านใจที่ฟุ้งซ่านก็คือใจที่ประกอบดุขจากักกุขจัคิดพล่านไปเรื่อยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมอยากเที่ยวสารพัดที่จะคิดออกไปยัในปัจจุบันแล้วเป็นเรื่องใหญ่ ร, รับสื่ออะไรต่างๆจากข้างนอกนี่มันเยอะมากๆก็เรียกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใคร น, นะตามปกติแล้วสื่อที่เรารับเนี่ยต้องชัดเจนถึงที่ไปที่มาหากว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสื่อสารที่มาจากใครคืนรับเข้าไปบางทีก็กลายเป็นเรื่องถูกหลอกถูกต้มถูกลวงโดยวิธีการต่างๆ นี่ก็แสดงว่าความคิดนี่มันก็คุ้งสั้นเอาขนาดจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงนี่ก็ยุ่งแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันทั้งขี้เกียจเนี่ยต่านก็มักอยากไฟสูงต่านอยากใหญ่อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้คิดว่างานทุกอย่างเนี่ยงานทุกอย่างมันใช้ความเพียรเท่านั้น แล้วคนเกียร์คลานี่ใหญ่ไม่ได้หรอกสมมติว่าจะพระจะผู้เกิดเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ทำงานไม่ได้เพราะงานบางงานเนี่ยมันต้องขยันเลามากๆไม่คำหนึ่งทั้งความเหนื่อยยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆหลายปีมาแล้วเมื่อพศสองพันห้าร้อย อะไรตอนนั้นส2องเจ้าคุณสมเด็จไปเยี่ยมราษฎรห้าจังหวัดภาคใต้ตอนก็ น, นำไปด้วยเวลาท่านรับสั่งกับประชาชนส่วนมากท่านจะรับสั่งประมาณส0มสบัาทีแล้วท่านก็นโยนลูกให้เลย เราออต่อไปท่านโสพลพูดต่อตอนนั้นก็เป็นประโสพลคณะพอรอยปรากฏว่าพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดตามนะครับคือต้องพกข้าไปนั่งกินในรถตอนเดินทางกินได้ไม่มีจังหวะที่จะกินข้าวเลยแล้วก็หลายคนเป็นยาง้ง ทำงานโดยไม่คำนึงถึงความเหนือยากลําบากมันก็บอกควรแหละที่เขาได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดความยายความมักใหญ่ไข่สูงนี่มันเป็นความอยากเป็นภาวะตัณหาคืออยากเป็นไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอาการที่ปรากฏเป็นลักษณะนิสัยเป็นปกติวิดไส ตัวสาเหตุจริงมาจากอะไรมาจากข้านไหนท่านมีเชื่อแต่ว่าได้ครบกับป่าประมิตรคือมิตรที่ไม่ดีก็เรียกว่าความผิดบวกกำลังสองเลยก็ทำให้ท่านตกต่ำไปเรื่อยๆพ ร, ระเทรรนั้นก็ได้ไปโดยฤทธิ์นะฮะคืออยู่ไกล แต่ท่านก็เห็น้วยที่ประจักษ์สุคือได้ยินโดยที่ประโสนิ์กบหนดใจก็รู้ก็อันตรธานจากที่อยู่เพราะท่านอยู่ที่สะจัดทันอย่างที่บอกแล้วว่าอยู่ตั้งเจ็ดปีแต่รู้สึกเิาก็อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้อยู่กับท่านแต่ว่าความกรุณาสงสารของพระเถระในฐานะที่เป็นภิกษุด้วยกันนะอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นสัตธิทีริก คือท่านบวชให้เขาอย่างหนึง่งจะลืมมันท่านเป็นพระยุคแรกขนาดเป็นพระยุคแรกบวชยุคแรกในะยังเกเรขนาดนั้นวันอย่าไปคาดหวังว่าพระเดี๋ยวนี้จะสมบูรณ์้อยเอร์เซ็นตะี่ยอย่าไปคาดหวังเอากันเท่าที่ได้จำจี้จำชายกันพูดกันไปตักเตือนกันไปให้สติกันไปทาได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เป็นไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายแหละไปถึงท่านก็เตือนบอกว่าคุณอย่าได้ทำอย่างนี้เลยจงละมิตรที่เลวสามเสียอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคือเด็กหนุ่มนี่มันติดเพื่อนเมื่อก่อนมาติดแม่ติดพ่อต่อมาก็ติดครูต่อมาก็ติดเพื่อน ต่อมาก็ติดเพศตรงกันข้ามกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้นี่นานเนี่เพราะในจุดตัดสินใจในการเลือกคบค้าสมาคมกับใครเนี่ยผู้ใหญ่จะต้องช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยไม่ได้ปล่อยให้ลูกหลานตัดสินใจเองนึกจะคบใครก็คบไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่มีข่าวคราวความรุนแรง การเกาะกลุ่มกันของสถาบันบางสถาบันแล้วก็ฆ่ากันเองวันก่อนได้ยินเด็กเขาสัมภาษณ์บอกว่าสถาบันที่เป็นปรัปักกันประกาศวันปีนี้จะเอาห้าศพตอนนี้ได้สามแล้วยังเหลือสองทำยอดแข่งกันโอ้ความคิดมันน่ากลัวมาก ก็ยังยังมองอยู่นะว่าทางราชการเนี่ยทิ้งพระไปนานคือเราจะเห็นว่าพระนี่เป็นคนกลางแล้วพระไม่คุนกับเด็กเด็กก็ไม่คุนกับพระเพราะอย่างไงถ้าพระไปพูดเนี่ยเธอก็ต้องฟัง แล้วก็พูดให้คิดพูดให้ตัดสินใจต่างประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็ถามแล้ให้ตัดสินใจแล้วก็ตอบแล้วถ้ายัางไม่ชัดเจนเราก็ถามต่อให้เขาคิดต่อเขาคิดจนเขาเขารู้สึกมันทางตันแล้วในสุดก็จะหาทางออกคนเราพอเจอทางตันก็จะหาทางออก ปรึกษาบัการศาลเหล่านี้เราก็มีพระเนนเยอะนะเวลานี้ที่มีความสามารถพูดจากกระเด็กรุ่นนี้ได้ก็ว้างๆก็มีบุญไปบ้างก็ถวายข้อมูลต่างๆให้ท่านไปคิดรวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงขึ้นมาแต่เราทำได้อย่างนี้ มันก็ช่วยกันนะช่วยลูกหลานของเราทีนี้เมื่อเธอเกาะกลุ่มเป็นปาปะมิตรกันมากๆเนี่ยเวลาเกาะกลุ่มกันมากแกถูกหมดนะพวกเราเนี่ยเก่งอยู่คนเดียวตัวเองก็ถูกหมดเลยพวกเดียวพวกตัวเองถูกหมดเลยบางทีใหญ่ๆโตคุมเป็นพวกนะฮะเป็นพักเป็นพวกเลย ให้ล seeing, หองสังเกตเหตุสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเขาถูกทั้งนั้นพวกเขาไม่เคยผิดเลยเป็นคนดีที่สุดเลยบางท่านได้ปวดบ้านปวดเมืองเสีอบุ่นวายหมดเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันเคช่วยกันเชียร์เชียร์กันไปเชียร์กันมาเกิดเป็นอุปทานนะฮะเป็นอุปทานยึดติดว่าเออเราเป็นคนดีจริง พวกเราก็ชี้ว่าเราเป็นคนดีคนนั้นก็ชี้ว่าเราเป็นคนดีก็เลยกลายเป็นคนดีจริงขึ้นมาแล้วพระเถระก็บอกว่าค้อผาแต่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือมิตรที่มีความรักใคร่มิตรที่แนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มิตรที่มีจิตอนุเคราะห์มิตรที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้เอาจากประเด็นหลักสี่อย่างก็พอนะครับ จะเป็นหลักให้ได้สิอย่างลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงว่ามิตรเราเนี่ยมีเมตตามีเมตตากรุณาแล้วก็มีปัญญาเป็นหลักในการคิดการพิจารณาซึ่งก็หมายความว่าอยู่ด้วยเหตุผลและความดีที่ถูกต้องควรแก่การเข้าหาสมาคม ทีนี้บำเพ็ญสมณธรรมก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญานั่นแหละรวมรวมง่ายๆเขตัง้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็พยายามปฏิบัติในหลักของศีลแน่นอนศีลเราก็ทําให้ทีเดียพวพูดเดียวสมมูทมันก็ไม่ได้อีกนั่นแหละก็พยายามทำให้มันเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโออทษที่มันแรงๆทํำยังไงอย่าล่วงละเมิด ศีลสิกขาบทที่มีโทษแรงๆ เ, เล็กน้อยนั่นก็อาจจะพลั้งพลาดไปบ้างเพ้อเรอไปบ้างลงลืมไปบ้างก็ค่อยๆแก้ไขกันไปแต่ว่าทายังไงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็กลับไปที่ศีลห้าอีกนั่นแหละว่าถ้าหากว่าเราสารวมระวังศีลห้าเอาขนาดว่าหยาบๆยาบนะ อย่าเอาขนาดละเอียดแต่เอาขนาดหยาบๆมันก็จะมีการเกื้อกูลกันเองโดยธรรมชาติของเขาโดยเฉพาะถ้าจิตพัฒนาไปอยู่ที่เมตตาอินดูจนมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อกันเะยกันมันก็กัลยาณมิตรบวกกัลยาณมิตรก็ดีบวกดีมันก็เพิ่มพูนกระแสะความดีให้สูงขึ้น เราจะเห็นว่าในชั้นสี่เนี่ยเป็นชั้นการยอมรับนับถือสถานภาพของกันอะกันยอมรับสิทธิและหน้าที่ของกันอะกันไม่ล่วงละเมิดกันก็เรื่องใหญ่มันก็สี่เรื่องไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคุครองตลอดถึง การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารการพูดเท็จการพูดคำหยาบการยุให้รำตามให้รั่วก็อให้เกิดความแตกแยกรล้าชานถ้าไปถึงยาเสพติดได้ก็ดีนะฮะเพราะว่ามันก็อาการหนักแลวเกิดแต่สรุปว่ามันต้องมองที่สี่ห้าให้มากจำนวนมันไม่มาก แต่เนื้อหานี่เขากระจายมากนะสีท่าท่านจะเห็นอาการของเมตตาของปัญญาของสติของสัจจะของการสามารถกากับควบคุมจิตตัวเองไม่ร่วมนาดแก่อารมณ์นั่นก็หมายความว่ากิเลสใหญ่ในมันถูก กำกับควบคุมไว้ด้วยสินทั้ง5ประกาศแล้วพอมาถึงธรรมะคือปลายของสีเ น, นียก็จะเป็นธรรมะทุกขอ้อพอมาถึงธรรมะมันจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันหมายความว่าสิ่งทั้งหลายในโลกชีวิตทั้งหลายในโลกมันก็มีเรากับพวกเรา ทรัพย์สริงคารทรัพย์สินทั้งหลายไม่ว่าจะเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็มีของเราก็ของพวกเรามันไม่มีอะไรที่จะล่วงละเมิดความคิดอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะล่วงละเมิดก็เคยฟังเสียใหญ่เข้าปา่าตกถาคือเป็นความคิดติขมมาก เอามายัางชมว่าเออถ้าเราคิดกันได้อย่างนี้นะที่จริงก็คิดแบบสเพสตานั่นแหละแต่เขาก็คิดแบบนักธุรกิจก็ไม่ต้องบอกชื่อบริษัทเขานะฮะเขาบอกว่าคนดีในโลกนี้เป็นพวกของเขาตลาดในโลกนี้เป็นของเขาวัตถุดิบในโลกนี้เป็นของเขา สามอย่างตันเองมันได้ทั้งพวกมันได้ทั้งทรัพยากรมาได้ทั้งตลาดแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรหรอกเป็นประโยชน์สมประโยชน์ครั้งแรกนึกฟังเขาได้ประโยคน์คำเดียวนะฮะครั้งแรกนี่ได้ยินครั้งเดียวว่าคนดีในโลกนี้เป็นของบริษัทเก่า ก็ฟังอีกรอบหนึ่งหรืออีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เพิ่มกันไปอสองอย่างเป็นการมองโลกเป็นหนึ่งเดียวโลกทั้งปวเป็นพี่น้องกันดินมันก็ดินด้วยกันนะนะตลาดมันก็ตลาดด้วยกันก็มีคนซื้อก็มีคนขายทันเด็กเราก็สามารถที่จะขยายกิจการของเราไปได้ กวางใหญ่ไพศาลไปถึงประเทศอื่นไปถึงทวีปอื่นก็ไปได้ตลอดนี่เป็นความคิดที่คงคายแล้วก็เหมาะสมนะาที่เขามีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าคิดเป็นคิดเป็นไม่ได้คิดแบ่งแยกผลความรู้สึกเป็นกาลยาณมิตรเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดแบ่งแยกเป็นความคิดที่เรียกว่าเรากับเพื่อนเรา แล้วสมบัติก็มีสมบัติของเรากับของเพื่อนเราแล้วจะไปด้วงละเมิอดอะไรใครนี่ก็เป็นหลักการว่าไม่ต้องไปติดใจประเด็นมากๆหรกเอาขนาดเนี้ยขนาดข้อความสั้นๆแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นนั้นมาก ปรากฏว่าลูกศิษย์ไม่เชื่อพระเถระสอนขนาดนั้นนะแหมอนี้มันกดสาหาัสเหมือนกันนะสาหาัสเหมือนกันแต่พระหารทั้งหลายนี่ท่านเจอเยอะนะพระสายิบุตรก็มีอยู่สองสามรูปที่เคยเจอเวลาอยู่ที่ประเทศตะวันด้วยกันนะก็ดีเคารพนับถือครูบาอาจารย์ดีบอกจากประเทศตะวันแล้วก็นินทาอาจารย์ตลอดเลย ท่านแจว่ากล่าวตักเตือนยังไงเพราะว่ามันเป็นบาปนะด่าพระอาราหันเนี่ยแต่ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ว่าท่านสงสารเขาเดือดร้อนแต่ก็ทำไม่ได้ในสุดต้องเอามาคว้าพระพุทธเจา้าพระเจ้าแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลท่านก็สลดใจในพฤติกรรมว่าที่จริงมันก็เป็นกรรมนะไอ้เนี่ย มันก็ที่จริงก็อุเบกขาได้ประวัติศาสตร์โลกทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาแต่ทีนี้พระเทราเองก็ปราบรสัตว์โลกแหละทีนี้คนนี้ก็คงแก้ปัญหาอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่ก็ปราบรสัตว์โลกอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อของสัตติวิริของท่าน ก็ท่านไปมองที่ข้อปฏิบัติคือไม่มองคนเลยทีนี้มองถึงข้อปฏิบัติว่าข้อปฏิบัติมันก็มีสองทางคือกุศลกับอกุศลในข้อแรกเราจะเห็นว่าก็สะท้อนพฤติกรรมของภิกษุรูปนั้นแต่พูดถึงคนนะฮะไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะภิกษุผู้มีใจฟุ้งซ่านกลับกรอกคบหาแต่มิตรที่เลวทราม ย่นถูกคลื่นซัดจมอยู่ในห้วงน้ำใหญ่คือสังสารวัติเราเห็นว่าอาการฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะอาการกลับกรอกนี่เป็นทั้งโมหะและทั้งหลอกลวงก็หาการณิกาเอก็หาปาปมิตก็คือเป็นโมหะแล้วก็เป็นโลภะทีนี้คนที่เป็นอย่างเนี้ยนิสัยใจคออย่างเงี้ยเอาสักข้อก็แย่แล้วนะฮะ นี่ทั้งสี่ข้อในที่สุดมันก็จะหมุนวนอยู่มันเหมือนก็ถูกคลื่นซัดลงไปสู่กระแสของสังสารวัตก็ต้องหมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถามว่าพพชาติจะเป็นยังไงพพชาติมันไม่ประนีตหรอกพพชาติมันก็หยาบเพราะว่าใจมันอยากสันดานมันอยากไฟต่า เป็นใครล่ะเป็นใครเมื่อไรก็ได้พระเทร่ากล่าวมาสองพันหรอยกว่าปีมาแล้วเวลานี้เป็นยังไงถ้าคนเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมะที่แสดงในแนวข้อปุกลาทิษฐานว่าไหนก็มีคุณสมบัติในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเธอยังเป็นอย่างนี้อยู่ราบใดการการะทำของเธอก็จะชั่วมากขึ้น ทีนี้ความชั่วมันก็นำไปสู่นรกนำไปสู่อาบายนำไปสู่เบีดนำไปสู่สุรกายหาความเจริญได้ยากบวชมาเพื่อต้องการโอ้ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ก็กลับทำตัวหมุนวนก็ต่ำลงไปอีกนี่ก็เป็นประเด็นแรกก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าข้อความที่ พระเทร่ากล่าวในที่จริงถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกอื่นเล่มอื่นมันก็คือพระสูตรหนึ่งพระสูตรอ่ะหือพระสูตรหนึ่งพระสูตรนั่นเองที่นี้ก็คือสูตรอย่างในธรรมบทตรเขาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อความไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่นี้จะยาวอ่ะเพราะว่ามันเป็นกรณีกรณีไปก็กรณีนั้นเปลี่ยนไปเรืยความฟุ้งซ่านก็คือจิตที่ไม่มั่นคง มีจิตฟุ้งสั้นความป ร, รับกรอกเนี่ยก็อะไรล่ะไปจะเล่นบาตไปจะเล่นจีวอนไปจะเล่นอะไรอย่างเนี่ยอิเลเคคาเนี่ยเล่นพระเครื่องเล่นไม้ดัดเล่นอะไรเนี่ยยุ่งยุ่งไม่อยู่กับร่องกระรอยอิเลเคขาแล้วก็ครบแต่มิที่เลวสาม พอไปครบที่มีมิตรเลวสามมันก็ไม่บำเพ็ญสมณธรรมโดยธรรมชาตินะฮะโดยธรรมชาติของเขาก็กเป็นอย่างนังน้นเองแล้วคนที่ตกไปในสู่กระแสสมุทรเนี่ยมันจะถูกคลื่นซัดคือนีก็ทรงแสดงไว้หลายแหง่งบางทีก็เจ็ดระดับคือหมายความว่าคนบางพวกนี่ตกลงไปในมหาสมุทรแล้วก็จมหายจอมไปเลย มันพวกหนึ่งอีพหนึ่งตกไปแล้วมันก็โผล่ขึ้นแล้วก็จมลงไปอีกก็พลูโผล่ๆอยู่อย่างเงี้ยอีพวกหนึ่งก็ตกไปแล้วโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ประคับประคองตัวไปได้คลื่นยังไม่แรงไม่ถึงก็จมลงไปในกระแสคลื่นพวกที่สี่ในเริ่มบ่ายหน้าเขาหาวฝัง มองหาทางออกให้แก่ตัวเองมองทางขึ้นจากฝั่ง ร, รอดพ้นจากการถูกกระแสน้ำพัดผันพระเทหะก็ไหวกระหาฝั่งพระเทหะก็ขึ้นฝั่งพระเทเจต์ก็ยืนอยู่บนตลิง่งอันนี้ก็เราจะเห็นว่าวิธีชีวิตคนมันจะมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉนั้นพวกตราบใดที่ยังอยู่ในกระแสน้ำ พวกหนึ่งก็จมหายไปเลยพวกที่สองก็ปลุกปลุกโผ ล, ล, ล, ลพวกที่สามก็ประคองตัวเองได้พวกที่สี่ก็บ่ายหน้าเข้าหาฝั่งพวกที่ห้าก็วหายเข้าหาฝั่งพวกที่หกก็ขึ้นไปจากฝั่งพวกที่เจ็ดก็ยืนบนตลิง่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนเราเริ่มมีความโน้มเอียงในทางที่ดีก็เตนินตอนเริ่มบ่ายหน้าเข้าหาฝั่งเริ่มวหว้แต่ยังไม่ได้ขึ้นนะฮะ ยังไม่ได้ขึ้นเอาแน่นอนไม่ได้หรอกดาบใดที่เธอยังไม่ได้ปีนป่ายขึ้นไปถึงฝั่งดาบนั้นความสวัสดียังไม่เกิดผลแนวของภิกษุรูปนี้ก็มีลักษณะอย่า ง, งนี้ในที่นี้ท่านอธิบายไว้กี่ประเภทละ่ะถูกคลื่นในหมหาสมุทรซัดซัดซจมอยู่ไม่อาจจะชูศีรษะขึ้นมาได้ย่อมจมดิ่งลงอยู่ในหมหาสมุทรนั้นนั่นเอง วิสูผู้วนเวียนอยู่ในห่วงน้ำอันนี้ท่านเอาประเภทแรกมาพูดนะเอาประเภทแรกมาพูดก็ฉะนั้นคลื่นคือความโกรธความคับแค้นความขัดใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ท่วมทับจิตใจของบุคคลนาทูศีษะคือปัญญาขึ้นมาได้พูดไม่รู้เรื่องไม่ยอมเข้าใจสักทีหนึ่งที่จะไปเห็นไตรลักษ แล้วก็ถ่ายถอนปัญหามาหน้าที่ฉี่ออกไปได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าย่อมจมดิ่งอยู่ในห้วงน้ำใหญ่คือสังสารวัตนั่นเองไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาทีนี้ประการต่อไปเนี่ยก็พูดเรื่องฝ่ายดี ไข่ตรงกันข้ามนะหมายความาฝ่ายตรงกันข้ามกับข้อแรกส่วนภิกษุผู้มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกรอกมีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมอินทรีย์ข้ห า, าแต่กัลยาณมิตรเป็นนักปราดพึงทำที่สุดแห่งทุกได้นีไปไปอรหันเลยนะไม่ฟุ้งซ่านก็คือจิตมันสงบเขเรียกว่าเจตโสวุป so สัมมาคือจิตมันสงบ จดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่กลับหลอกไม่หลอกแหละไม่วุ่นวายแล้วก็ท่านก็แยกได้ชัดว่าคนจะไใ้ควรครบหรือไม่ควรครบจากนั้นก็จะมีปัญญาเครื่องรักษาตนเขาเรียกนิ ป, ปโกคือมีปัญญาในการรักษาตน การใช้ปัญญานั้นที่จริงถ้าเราลองสังเกตว่ามันจะใช้ไปตามโครงสร้างของสมาวะยมะปัญหาบางอย่างที่ยังไม่เกิดเนี่ยต้องป้องกันไม่เกิดปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วต้องชัดเจนว่าเรามีปัญหาอารมณ์เรามีปัญหาความคิดเรามีปัญหาจิตใจเรามีปัญหาก็พยายามบรรเทามันต้องแก้ไขตนหรือตนเอง เตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนอย่างที่ท่านเอามาเรียบเรียงไว้เป็นคำกรอนว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตไม่ได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าชั์เชื้อเตือนเตือนตนให้พ้นภัยประการต่อไปก็คือคนที่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน มันจําแนกฉลาดในประโยชน์เราเห็นว่าประโยชน์มันก็มีอยู่สองอย่างนะนะสามอย่างคือแต่เป็นที่เนี่ยสมอย่างหมายความประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายหรือถ้าเราเรียงระดับมันก็ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในการภายหน้าประโยชน์สูงสุดคือมรรคนิพพาน ผู้ฉลาดในประโยชน์ให้ทากิจที่ท่านผู้บรรลุถึงซึ่งทางงานส ง, งบได้กระทำแล้วเช่นหนึ่งก็องอาจสองก็คือซื่อตรงสามก็คือซื่อตรงอย่างดีแล้วก็เป็นคนว่า ง, ง่ายสอบ ง, ง่ายเป็นต้นทีนี้พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยส่วนที่เป็นความดีงาม ต้อควรแกการนำมาประพฤติปฏิบัติเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามเหล่านั้นแล้วพยามรักษาดีเอาไว้ใหญ่ดีมันแตกรักษาดีเอาไว้ภารกิจจริงๆเราต้องทำสองอย่างนะคือบำเพ็ญความดีและรักษาความดี ปริมาณของความดีที่เพิ่มขึ้นมันไปลดตัวความไม่ดีลงความทุกข์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่ดีมันก็ลดตามไปการที่เรารักษาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นไปทุกวันทกวันทุกวั น, วนปริมาณของความดีมันก็เพิ่มแล้เกิดมาชาติหนึ่งมันก็ควรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ลดน้อยลงริษยาน้อยลงขี้เกียดน้อยลงโง่น้อยลงอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามลดพวกเหล่านี้ลงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างมูตินทริโก็คืออินทรียสังวรนั่นเองก็คือพยายามสำรมรวสระวังอินทรีย์ของตัวเองเวลาสัมผัสกับอา ร, รมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ระวังใจอย้าให้กำหนัดได้ไหม ย, ย่า้ขัดเคืองได้ไหม ย, ย่า้ลุ่มหลงได้ไหม ย, ย่าหมัวเมาได้ไหมอ๋สักสามเรื่องสี่เรื่องไง น, นะฮะอันนี้ก็คือไม่ประมาทอัปปะมาตธรรมแต่เป็นชั้นละเมียดละไมที่มีสติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจอย่าให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจอย่าให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาคืออารมณ์ที่จริงมันก็ธรรมดาแหละแต่เรากําหนดค่ามันเนี่ยกาหนดไอ้นี่น่ากําหนัดไอ้นี่น่าขัดเคืองไอ้นี่น่าลุ่มหลงไอ้นนอี่ก็น่ามัวเมาแต่ไม่ใช่สากลสำหรับคนทุกคน มันอยู่ที่ใจเราจำนวนหรือเปล่าล่ะถ้าใจเราไม่จำนวนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใจจำนวนแล้วเราเองนั่นแหละก็จะมีปัญหาในขณะเดียวกันท่านบนนั้นแเพื่อเพียรพร้อมด้วยกันละยานมิตรคือครบคนดีเป็นมิตรร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับกัรละยานมิตรที่มีจิตคิดอนุนเคราะห์มีความรักใคร่ เระพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมิตรของตนอย่ามีภัยมีอันตรายมีความทุกข์ก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนี่ก็เป็นหลักการหลักการที่ประเทราะสะท้อนจากมุมหนึ่งคือหมายความมาเสนอให้ลูกศิษย์เลือกอแต่เปล่งเป็นรูปอุทานคืออลูกศิษย์ไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าพูดไปกับท่านนั้นเอง เป็นการปรารบมนุษยชาติแต่ก็มีตัวตนบุคคลได้เห็นบุคคอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใครเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีทางจะหลีกพ้นไปได้แล้วก็เป็นเมตาวีคือพร้อมมูลด้วย ปัญญาอันเกิดแต่ธรรมเราเรียกเมธาเมธีเมธาวีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะมากความมีปัญญาที่เกิดแต่ธรรมมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆมีความชัดเจนในข้อนั้นนั้นในประเด็นนั้นนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะะแต่อย่างที่บอกนะว่าหลายข้อหลายเรื่อง หลายประเด็นนะกว่าจะจบก็คงกินเวลานานแต่ละประเด็นเนี่ยที่จริงมันถ้าท่านไปเปิดดูที่พุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยมันก็ขนาดนักธรรมยันโทนะหมายความว่าแต่ละหัวข้อก็ประมาณสองบรรทัดสาบรรทัดไปอย่างมากที่เราใช้เรียนระดับต้อโทนักธรรมโทนักธรรมเอกแต่ว่านี่เป็นการอธิบายของพระอราหารันต คือพระญาโกรธัญญาตั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี